เม่อใเขาท่าเข้าทางเป็นลักษณะเหมือนคนขี้บน่นอยู่ที่ไหนก็บน่นเห็นอะไรก็บน่นเกี่ยวข้องกับใครก็บน่นทาหน้าที่การงานบ่นให้งานเกี่ยวกับคนบ่นให้คนพวก้าต่าคมกับใครบ่นให้คนนั้นบ่นไม่หยุดไม่ถอยบ่นให้ลูกให้หลานบ่นให้สามีธนยาส่วนมากเป็นผู้หญิงแต่ต้องขออภัยที่บ่นเก่งๆหากไม่ได้หลักได้เก่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 ร่างกายแต่สลายไปแล้วอานาจวัสนาที่สร้างไว้ในจิตก็ต้องติดแน่ก็จิดไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะผ่านพ้นไปหมดเรื่องอานาจวาัสนาใดๆนี้ซึ่งเป็นสมมุติเป็นเครื่องสนับสนุนในความเป็นอยู่นี้ก็ต้องผ่านไปหมดเมื่อถึงขั้นที่พ้นจากความสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วตำแหนี้ที่ตรงไหน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 นอกจากจะทำผู้นั้นให้มีความเจริญมุ่งเดือง้นทธนาจิตใจเป็นกายเป็นจิตที่มีหลักฐานมั่นคงเราจะเห็นได้ชัดชเช่นอย่างเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยเช่นภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆจิตไม่เคยรวมไม่เคยสงบให้เห็นปรากฏบ้างเลยแม้แต่น้อยีนเวลาเราฟังธรรมที่ท่านแสดงในะทรภาคปฏิบัติพูดถึงเรื่องสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อฟังไม่รู้เรื่องรู้ราวท่าน แ, แดงทุงวิถีจิตที่ดาเนินไปด้วยความจริงสมาธิเวลาพิจารณาเวลาภาวนาแล้วจิตมีความสงบอย่างนั้นมีอาการของจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามกระดิษณนิสัยต่างๆกันสุดท้ายจิตได้ลงสู่ความสงบอย่างแนบแนมีความสุขความสบายอย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจ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 ไปฟังท่านเทศแสดงท่านเทศเรื่งสมาธิเรื่องปัญญาไม่ว่าขั้นไหนไม่รู้เรื่องเลยหงิกับร้องเพลงให้คลายฟังเนี่ยแต่ดีอย่างหนึ่งไม่เคยตาหนิติตียนท่านว่าท่านเทศไม่รู้เรื่องรูหลายย้อนกลับมาตาหนิดเจ้าของวานี่เห็นไหมท่านอาจารย์มั่นชื่อเสียงท่านโด่งดังกิจสัตยิคุณท่านดอก็ถชอนมาเป็นเวลานา น, านตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก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 เพราะความซึ้งความเชื่อเหตุที่จะเชื่อเหตุที่จะซึ้งก็เพราะเห็นเหตุเห็นผลปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟังโดยลาดับลาดับนั่นแหละนีรละจิตดวงเดียวนี้คันเวลาหนึ่งเป็นอย่างและเวลาหนึ่งเป็นอย่างทไมจริงเป็นอย่างนั้นก็เพราะสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตหุ้มหอจิตนั้นมันแม้มีแต่สิ่งที่ดำดาทั้งนั้นสกรปรกทั้งนั้น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 เราจริงไม่น่าไม่ไม่ควรไว้ใจไม่ควรงองใจมันแทรกอยู่ในนั้นเรามาอยู่ในป่ามันมาด้วยเพราะมาอยู่ที่จิตเราอยู่ที่ไหนมันอยู่ด้วยอืแล้วว่าเราไปเป็นธรรมไปบำเพ็ญธรรมมันไม่เป็นผู้บําเพ็ญธรรมก็ตามแต่มันก็ติดแนบไปด้วยนั้น่ะกับผู้บําเพ็ญธรรมแล้วไปเป็นฆาตสุดต่อผู้บําเพ็ญธรรมแล้วผู้บําเพ็ญธรรมก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันมาทําลายเราเมื่อไหร่เราเลยถือ